ติที่นั่งปะ้านั่งโอ้ตีตี <c oughs> เอาละมือลงเอ้วันนี้มีเสียงโกนอยากนิพพานอยากไปนิพพานเยอะขึ้น <c oughs> ปกติเวลาให้สินสีเลนะสุกติยันติสาธุสีเลนะูกะสัมปทาสาธุ ปศรีเลนะนีปุตติยันติเงียบแต่วันนี้มีสาธุกันเยอะแต่ส่วนมากไม่รู้สาธุตามตามกันไปไม่ค่อยคอยรู้ว่าไอ้ศรีเลนะนี่ปุติงยันติเนี่ยว่าศีลทําให้ถึงพระนิพพานแต่เราส่วนใหญ่ไม่มีใครสาธุกันพราะพระก็จะรีบสรุปว่าตรงนี้ปศรีเลนะนี่ปุตติยันติตัดสมา <c oughs> ความหมายมันก็ว่า ศีลทำให้ไปให้ไปสู่สุขติทําให้ถึงพวกกรัพย์ทําให้ถึงพระนิพพานตัสมาสี่ลังวีโซทะเยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องชําระศีลให้บริสุทธิ์ให้ความหมายมันแต่ว่าพอไปประโยคสุดท้ายว่าสีเลนะนิปูติงยันติพระก็ไม่ได้เว้นจังหวะให้พวกเราได้สาธุเพราะศีเลนะนิปูติงยันติ ตัดสมารพระไปได้ก่อนนะไอ้โยมก็เลยไม่รู้ไอ้พอเรารู้่ไอ้ตรงนั้นน่ะมันแปลว่าศีลทำให้ถึงพระนิพพานเราก็สาธุด้วยเผื่อจะได้ในชาตินี้กับเขาเมืม่อ ก, กี้ยกบาลีว่าเอวะเบตาสังทิฏฐินังปะหานังโหติแปลว่าเราละทิฏฐิ อันมีประการต่างๆด้วยประการชนิดด้วยประการดังนี้คำว่าด้วยประการดังนี้ในที่นี่แหละมันคือความหมายของธรรมะที่จะนำมาสาธยายในเช้าวันนี้ในการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรียนรู้ให้ถูกวิธี นั่นก็คือการกําจัดปรับกําจัดคือความเห็นที่ผิดการปรับก็คือว่ายกความเห็นนั้นอ่ะให้มันมาถูกเสียก่อนถ้าพูดสั้นๆในสมัยนี้คํำนิดๆเขเรียกว่าปรับทัศนคติคือปรับทัศนคติของเราต่อชีวิตของเราเองให้มันเป็นทัศนคติที่เข้ากันได้กับของพระพุทธเจ้า และเราก็จะตรงเข้าสู่พระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ปรับทัศนคติไม่กำราบความเห็นของเราให้ตรงต่อพระพุทธเจ้าเราก็จะเข้าไม่ถึงชีวิตของเราเองถ้าเราเข้าไม่ถึงชีวิตของเราเราก็ตั้งธรรมะอันเป็นคำสอนของพระเจ้าลงบนชีวิตของเราไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า เราก็จะหาพระพุทธศาสนาในจินตนาการในจินตนาการคืออะไรในจินตนาการคือเหมือนกับห่วงของความหวังมานั่งเจริญรักษาศีลปฏิบัติสมาธิทำทานทำบุญทำการกุศลต่างๆเนี่ยมันมีความหวังและความหวังนั้นตั้งอยู่ในจินตนาการว่ามันเหมือนมีผู้ใดผู้หนึ่งเออมาจัดจดเก็บ บุญของเราไวา้และเพื่อที่จะให้บุญนั้นนะ่ะมันหนุนนําเราในโอกาสหน้าในภายหลังยามเราเพียงพร้ำใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นทัศนคติที่ไม่ตรงพูดดังๆเสียงดังความชัดว่ามันเป็นทัศนคติที่ไม่ตรงต่อพระพุทธศาสนาไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าเพราไม่ตรงไม่ตรงพระพุทเจ้าไม่พอนะไม่ตรงต่อชีวิตของเรา นี้เราก็จะเอาธรรมะมาตั้งตรงไหนได้คนระับมันเรก็ตั้งไม่ได้พราะเราไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าไม่ตรงต่อพระพุทธศาสนาไม่ตรงต่อกายต่อใจหรือต่อชีวิตของเราเองเราก็ตั้งธรมม ร, งธรมะไม่ถูกที่พอะเราตั้งธรรมะไม่ถูกที่แล้วเราุท้ายเราไปทําไงหลายคนเลิกนับถือพระพุทธศาสนา เพราะว่าไม่ได้อะไรบางคนโกนหัวบวชจีเลยไปสมาทานรักษาศีลถุงปฏิบัตินั่งสมาธิจนก้นแตกบางคนะ่ะเดินจนเท้าแตกแล้วสุดท้ายเดินออกจากพุทธศาสนาเพื่อไปนับถือศาสนาอื่นที่มันตรงต่อทัศนคติของตัว วันทัศนากติของเราเองในเบื้องต้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อันพุทธเจ้าถึงบอกว่าเอวามาเตสังตาสังทิฏฐินังปงาง น, นังโหติคือว่าให้ละต้องละอันดับแรกเนี่ยละทิฏฐิคือความเห็นที่มันไม่ตรงออกไปก่อนในการทำบุญหรือทำความดี ซึ่งปลูกต้นบุญไว้อยู่ในจินตนาการนั้นมันเป็นการสอนมาก่อนมันเป็นลักษณะใกล้ๆกึ่งเทวานิยมคือสอนกันมานานก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาเราได้ยินคำว่าอะไรบาปอยู่ที่บัญชีหนังหมาใช่ไหมบุญอยู่ที่บัญชีอะไรบัญชีทองใช่ไหม มีการบันทึกไว้มีคนบันทึกไว้มีคนบันทึกไว้แล้วอยู่ๆวันดีคืนดีก็มีคนตายแล้วพื้นก็มาเล่าไว้ฟังมั่งตำราโน้นตำรานี้ก็โน้นเจออย่างนั้นคนนั้นเจออย่างนี้มาเล่ามั่งตัวนี้ที่สุดมันทําให้เราเป็นเกิดอะไรเคว้เคว้ไปจากพระพุทธเจ้าเคว้ไปจากพระพุทธศาสนาและเคว้ไปจากตายจากใจของตนเองบางคนตื่นมาตีสองเพื่อเตรียมตัวทํางานทำไปทั้งวัน อาจะได้นอนสี่ทุ่มห้าทุ่มพอผลประกอบการของตนดีหน่อยบอกว่าอะไรฮะบอกว่าโอ้ยเจ้าที่ดีบอกว่าโอ้ยอันนี้ดีบอกว่าโอ้ยบุญรักษาเพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นค่าของตัวเองมันไปติดที่อื่นหมดมันมอ ง, มองไม่ตรงต่อชีวิตของเราว่าเรามี มีความรับผิดชอบมีความอดทนมีความขยันขันแข็งมีความไม่ประมาทมีความละเอียดละออมีความมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบมองไม่เห็นบางคนสอบเอ็นซานติดนะแม่พาลูกไปรำ แ, แก้บนอยู่แถวแถวราชประสงค์นั่นมองไม่เห็นคุณค่าของการกระทำความดีของตนเอง อันนี้อัตมากล้าพูดว่ามันเป็นทิฏฐิที่วิบัติออกไปจากพระพุทธเจ้าเป็นทิฏฐิที่วิบัติออกไปจากพระพุทธศาสนาและเป็นทิฏฐิที่วิบัติออกไปจากตัวของเราเองออกจากกายจากใจของเราเองเพราะฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่เราจะฝึกฝนอบรมนั้นถ้าเป็นศีลก็เรียกว่านิเพเทภาคิย์ศีล ศีลอันเป็นส่วนแห่งการชําแรกสมาธิสมาธิก็เหมือนกันนิเพทะภาคียะสมาธิก็คือสมาธิอันเป็นส่วนแห่งการชําแรกนิเพทะนี่ชําแรกเจาะแทงทะลุทะลุอะไรทะลุกลอกองของทิฏฐิอันมีโมหะเคลือบอยู่อย่างมืดมนเนี่ยให้มันทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปแล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้น ดีแค่ไหนก็ดีแค่นั้นแต่สติต้องเป็นสติหิริต้องเป็นฮิริขันติต้องเป็นขันติเบตตาต้องเป็นเบตตาอันนี้ทำรรมากกี่ตัวกี่ตัวมันมั่วตีขุมก็ไปหมดเลยอยู่ที่ตัวเราอะ่ะพอเราพูดบอกว่าสติเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าบางทีมันเป็นสัมปชัญญะพอบอกว่าสัมปชัญญะบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นปัญญาบางทีเราพูดว่าขันติขันติแท้ที่จริงมันคืออะไรมันคือ ไม่ใช่อดทนแล้วมันทนอดใช่ป่ะอดทนกับทนอดเหมือนกันไหมอดทนที่เป็นธรรมนั้นมันจะต้องมีสัจจะจริงตรงต่อสภาวะที่ปรากฏแต่ไอ้ทนอดนี่หมายความว่ามันไปไหนไม่ได้ท้ายก็ตันฝ่าก็ตันหลังก็ตันหน้าก็ตันบนก็ตันล่างก็ตันนี่เรียงพวกนี้จะต้องทนอด เวลาอยู่ในลักษณะของการทนอดมันอดทนไม่ได้มันต้องใช้อดกลั้นข่มใจเรียกว่าธรรมะอย่างเงี้ยคือตัวธรรมะทั้งหมดในในคำสอนของพระเจ้านี่มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติพระเจ้าค้นพบนํามาเปิดเผยชี้แจงให้กับเราแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับตัวเราเองให้มันเป็นธรรมชาติพอสําหรับที่จะเอาธรรมชาติที่ชื่อว่าธรรมะนั้นตั้งลงเหมือนเราฝึกมาที่นี่เพื่อการเจริญสติ เราจะฝึกสติตัวสติคืออะไรอยู่ตรงไหนตั้งที่ไหนเวลาเราลงมือนั่งโอ้ยคุณพระคุณเจ้าวันนี้ขอให้ได้สติดีเถอะนะใช่ป่ะ <c oughs> โอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายวันนี้ขอให้เข้าถึงฌานทีเถอะ <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> ลืมไปว่ากว่าพระพุทธเจ้าจ ม, มารรูเนี้ยพระพุทธเจ้าตุกศึกษา ต, ตัวพระองค์เองอ่ะสี่อสงไขกระแสนกับ เพื่อการรู้แจ้งแทงตลอดไม่ใช่ว่าเพื่อให้ใครมาเบ็ตาเอ็นดูสงสารเข้าใจไหมไม่ใช่เพื่อให้ใครมาเบตตาเอ็นดูสงสารแล้วเราก็พาศาสนาของเรามาในลักษณะของการเอามักผลวางไว้ในจินตนาการแล้วก็สมอุ้มมาเรื่อยเรื่อยรื่อยรืยบางทีก็โมเมว่าเอออเได้ชานสีแล้วนี่ ยัได้ชานสองแล้วนี่โอ้นี่นี่น่าง น, น, น, นี้จนาศาสนาเละตุ่มเปะจนถึงวันนี้จนเราไม่ค่อยพอนึกถึงาศาสนาเรานึกถึงอะไรวัดกำแพงโบสถ์ศาลาพระเราไม่เคยนึกถึงคำสอนที่เป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาเปิดเผยเรา เวลาเรานิึกถึงกาลิเลโอเราเนนึกถึงไอสตายนึกถึงไอสตายเราเนนึกถึงอะไรฮะกฎสัมพันธภาพเราจะไม่เก่งอะเวลาเรานึกถึงไอสตายเรานนึกถึงกฎสัมพันธภาพแต่เวลาเรานึกถึงศาสนาพุทธเราเคยนึกถึงพระธรรมปะไม่เคยเพอานนึกถึงว่าพุทธศาสนาลว้วก็กำแพงวัดพุทธรูปวิหารศาลา ทำไมเราไม่นึกถึงธรรมะเพราะทิฏฐิของเราถูกบิดเบือนออกไปแต่พอเรานึกถึงไอ้สไตโอีเ e ท่ากับเอซีกำลังสองจำได้นะดูที <c oughs> ใช่ไหมเรานึกถึงกฎของสัมพันธภาพได้นึกนึกถึงทำไมไม่นึกถึงว่าไอ้สไตเขาเป็นใครมีเมียกี่คนมีลูกเท่าไหร่เรียนที่ไหนทำไไม่นึกมันไม่นึกถึงกฎสัมพันธภาพเพราะอะไร เพราะเราถูกกระตุ้นเตือนเรียนรู้ตรงเข้าสู่ความหมายของคาว่าไอสไตล์แห้ะคืออันนี้แหละออแต่พอของศาสนาพุทธเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพระสารีบุตรอุปติสักตอนก่อนบวชชื่ออุปติสานะพอบวชแล้วก็ได้รับฉายาใหม่ว่าสารีบุตรอุปติสานี่ เต็มไปด้วยทิฏฐิที่อยู่ในวงความหวังอันเป็นจินตนาการไม่เคยหันเข้ามารู้ชีวิตรู้กายรู้ใจของตนตรงๆจริงๆมันก็เลยปัญญาที่แท้จริงก็ตั้งไม่ได้จริงๆท่านเป็นคนที่มีปัญญามากนะรสารีบุตรเนี่ยวันหนึ่งสองคนอ่โกริตะคือเพื่อนเพื่อนรักไปดูมโหสพ ด้วยความที่มีความเห็นอย่างชาญฉลาดในทุกๆเรื่องไปดูไปดูละครนะเวลาละครในนครมันก็มีพระเอกนางเอกมีเรื่องราวใช่ไหม้องเรื่องมาเดินเรื่องมาเลยลก็ยืดดูในในในเรื่องราวในละครในตัวแสดงและคนที่ดูละครอยู่ก็เห็นประการอันแปลกเกิดขึ้นเออละครแล้วเนี่ยคนแสดงก็ดีเรื่องเรื่องราวก็ดีเรื่องราวเหล่านี้เมื่อแสดงเสร็จแล้วก็จะผ่านไป บุคคลผู้แสดงเหล่านี้แสดงเสอทำให้คนอื่นหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างยิ้มบ้างสนุกสนานบ้างแต่แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตายไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรล่ะในโลกนี้เกิดความสลดสังเวชใจแต่มันไม่เป็นธรรมะนะมันก็เลยจากความรู้ที่ตนเองมีก็คิดว่าเราจะต้องเข้าหาสิ่งซึ่งนำพาเรา ให้พ้นออกไปจากความรู้สึกแบบนี้ไอความรู้สึกที่ฉลุดขดหัวน่ะนะจนกระทั่งไปเจอพระพุทธเจอพระอาตชิพระอาตชิท่านบอกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุคือไปเห็นก่อนเห็นพระอาตชิผิวพรรณโปร่งใสเดินเดินสงบสงเวยมเรียบร้อยอินทรีย์งดงามกิริยาเรื่องไกลก็ดูแลยน่าสงบสํารวมก็เกิดความรู้สึกเรื่อมไสว่า ท่านผู้นี้ต้องมีอะไรอันนี้คนบิท่านนี่เป็นคนมีของรู้เลยว่าถ้าอย่างเงี้ยต้องมีของเข้าไปหาท่านอศสิจข้าแต่สมณนะท่านนะดูผิวพรรณผ่องใสสกบสํารวมท่านบวชในศาสนาอะไรใครเป็นศาสดาของท่านท่านนับถือใครและ ศาสนาของท่านนั้นสอนอะไรเห็นไหมเห็นไหมคนฉลาดเขาหานู่นก็นจริงแต่สุดท้ายเขาต้องหาอะไรหาคําสอนและศาสนาที่ท่านนับถือนั้นสอนท่านว่ายอย่างไรพระอัตชีบอกว่าอาทําใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาของเราตรัสสอนเหตุของทำนั้นและความดับของทำนั้นด้วยพระสมณะ โคโดมไอพระศาสดาองเรามีปกติสอนแบบนี้ซึ่งมันไม่มีในโลกอ่ะไอคําสอนแบบเนี้ยในโลกนี้มันไม่มีตอนนั้นทําใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาของเราสอนเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นด้วยศา ส, สดาของข้าพเจ้าปกติสอนแบบนี้ ซึ่งนอนนี่ทํำไมนั้นในโลกใบนี้มันไม่มีอคนมีปัญญาอย่างภาษารียบุตรไปเจอความสลดสังเวชใจถึงขนาดนั้นแล้วยังคิดอะไรไม่ออกไปไม่เป็นเพราะมันถูกเรียนรู้มาอย่างผิดผิดเรียกว่าทิฏฐิวิเเรียกว่าสัญญาวิปลาสมันเรียนรู้อย่างผิดผิดพอเจออะไรก็มีความคิดผิดผิดดาเนินการของมันอยู่เรื่อยแล้วก็จะมีองค์ความรู้ที่สรุปลงมาแบบผิดผิด ปัญญาที่มีอยู่มันก็เลยเป็นสาสะวะปัญญามันไม่เข้าใกล้อา น, นาสะวะปัญญาสาสะวะปัญญาแปลว่าอะไรรู้ไหมปัญญาที่ไอความรู้ที่เชี่ยวชันช่ำชองในเรื่องของอาสะวะทั้งหมดเลยเป็นไปในทางนั้นหมดเลยแต่พอพระอัจฉริบอกว่า ทำใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาของเราตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นด้วยพระาศาสดาของข้าพเจ้ามีปกติสอนแบบนี้โอ้มันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องย่อยมากเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครเคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนทำใดเกิดแต่เหตุหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆสภาวธรรมที่ปรากฏยกเว้นแต่สภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นเองเฉยๆมันมีไหม มันมีไหมที่มันเกิดอยู่ๆมันเกิดปุบขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุมีไหมไม่มีแม้แต่ความทุกข์ของเราอารมณ์ของเราความคิดของเราการกระทำทางกายทางวาจาและการคิดของเรารวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดจากอะไรเหตุมันพระพุทเจ้าเนี่ยจัดสอนเหตุของสิ่งนั้นและความดับของมันด้วย อย่างเราเคได้ยินเรื่องของกรรมกรรมเกิดแต่เหตุไหมเกิดแต่เหตุไหมเออเราจะรู้เรื่องกรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องรู้อย่างไรเราต้องรู้ว่าตัวกรรมคืออะไรเหตุของกรรมคืออะไรเห็นไหมเหตุของกรรมคืออะไรความดับไอความแตกต่างของกรรมเป็นอย่างไรผลของกรรมเป็นอย่างไร และความดับของกรรมเป็นอย่างไรการปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับของกรรมนั้นเราต้องทำอย่างไรนี่คือการรู้เรื่องของกรรมเราเคยรู้ไหมเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้คำว่ากรรมคืออะไรอะนั่นนะ่ะพอเราว่ากรรมคือการกระทำเราก็เข้าไม่ถึงชีวิตจิตใจของเรากรรมคืออะไร ฮะไม่กล้าตอบพระพุทธเราก็ต้องเอาที่พระเจ้าตรัสพอพระพุทธเจ้าสอนเราปับ๊บเราก็นำมาสอบทานดูสิว่ า, ว า, วามันจริงไหมเจตนาหังพิกาเวกัมมังวทามิแปลว่าพิกสุทั้งหลายเรากล่าวกับเธอว่ากรรมคือเจตนาอ้าวดูสิไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่ว ตัวกรรมที่แท้จริงคือตัวเจตนาถ้าไม่มีตัวเจตนาไปไงล่ะกรรมเกิดไหมไม่เกิดแล้วท่านบอกว่าเราจะรู้เรื่องของกรรมนอกจากรู้ว่ากรรมคืออะไรแล้วเราจะต้องรู้เหตุเกิดของกรรมด้วยเมื่อเรารู้ว่ากรรมคือเจตนาเรารู้ไหมอะไรเป็นเหตุเกิดเจตนาไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่เคยได้เข้ามาคล้องเกี่ยวแวะศึกษาในสิ่งที่เป็น การศึกษาในเชองที่เป็นทัศนกติที่ตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่อพระพุทธศาสนาตรงต่อกายต่อใจของเราเรามีความรู้ความเชื่อเยอะแยะมากมายหลากหลายศาสตร์เข้ามาผสมผสานจนเกิดเป็นองค์ความรู้แล้วเราก็เชื่อมันไปเดินก็ไปไปไหนก็ไม่รู้แต่พอถึงเรื่องจริงๆของสิ่งนั้นเราไม่รู้อ่าแล้วเราจะทําให้ถูกได้ยัยงไงใช่ไหมเออ เอาลวกรรมไหนๆเอ่ยกรรมแล้วกรรมต่อยหน่อยเจตนาหัางพิกเวเอกวก็กรรมคือเจตนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจตนาคือเมื่อกำรรคือเจตนาแสดงว่าเจตนาคือเออนึกว่าไม่ตอบไม่ได้กูกูแย่แล้วผมบอกกกรรมคือเจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาคืออะไรตอบไม่ถูกนี่โหยเก็บย่ามกลับวัดเลย อ๋อพอเรารู้ว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนากรร ม, มานังอา่ากรร ม, มนังสัสกรร ม, มนังนิดาณสัมภวะเอ่อนิดานาสัมภวะผัดโศโหติแปลว่าอะไรตัวตัวเกิดของกรรมคือ อืได้ยินกับว่าปัทโธเดาได้แต่ทีเลยนี่เรียกว่าพัทธะคือตัวเป็นเหตุเกิดแดนเกิดของกรรมออามาดูสิจริงไหมเออจริงไหมจริงไหมการกระทําทางกายทางวาจาของเราทั้งหมดมันมาจากอะไรมาจากเจตนาเจตนาทุกตัวที่เกิดขึ้นที่เรามันมาจากอะไร มาจากการกระทบมาจากผัสสะจากการเห็นจากการได้ยินจากการได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายได้น่วงนึกคิดในอดีตหรืออนาคตที่มันเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาจนเกิดเป็นตัวเจตนาอา้าวกรรมมันนั้นมีความแตกต่างผัสสะแล้วใช่ไหมภัสสะคือเหตุเกิดของกรรมนะใช่ไเนี่ยมันจะได้ฉลาดเสักทีทีนี้ อะไรเป็นความต่างของกรรมครูเจ้าชายถามว่าเวมัตตาเวมัตตาแปลว่าความต่างว่ากรรมมันไม่ใช่มีอยู่อย่างเดียวกรรมานังกรรมานังเวมัตตาอะไรคือความต่างของกรรมอ่าความต่างของกรรมอย่างนี้ กรรมบางอย่างให้ไปเดริชานกรรมบางอย่างให้ไปสวยอารมณ์ในความเป็นนรกกรรมบางอย่างให้ไปเสวยอารมณ์ในความเป็นเดริชานกรรมบางอย่างให้สวยอารมณ์ในความเป็นมนุษย์กรรมบางอย่างให้สวยอารมณ์ในความเป็นเทพอืม มันเกิดต่างขึ้นเลยใช่ไหมเออจำไม่ดีนะเพราะว่าได้ยินกับว่าดิเรกฉานได้ยินคําว่ามนุษย์ได้ยินกับว่านรกได้ยินกับว่าเทพเราไปไหนพอได้ยินว่านรกเราไปไหนข้างล่างถูกปะพอได้ยินคําว่าดิเรกฉานเราไปไหนสุนัขหมาแมวพอได้ยินคําว่าเทพเราไปไหน จ่าตุ ม, ด า, ตาตมดาวไอย่าตาจาตุมย่าดาวดึงยามาดูดสิถูกเปล่าลบไปไหนและลบออกไปจากกายจากใจของเราอีกแล้วเพราะอะไรที่เราต้องไปอย่างนั้นเพราะทิฏฐิที่มันวิปลาสมาจากการเรียนรู้อย่างผิดผิดในเมื่อเบื้องต้นเราบอกว่าการรมคือเจตนาเ จ, ตน า, จตนาคือแล้วเจตนาอยู่ไหนะ ฮะอยู่นี่ใช่ไหมอยู่ที่กายที่ใจนี่ออแล้วจะไม่อยู่อยู่วิ่งไปโน่อนอะ่ะอืมเพราะมันไปโดยความเชื่อที่มันมาจากทิฏฐิวิปลาดพบของเดรัจฉานพบของนรกพบของเทวโลกมีหรือไม่มีช่างมัน มีหรือไม่มีช่างมันแต่ที่แน่ๆถ้ามีเดริชานต้องไปจากจิตที่มีกรรมเป็นเดราชานนรกมันจะต้องไปจากจิตที่เป็นนรกเทพมันก็ต้องไปจากจิตที่เป็นเทพพรหมก็ต้องไปจากจิตที่เป็นพรหมเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะไปมองข้างนอก มันจะต้องหันมามองข้างในในตัวที่เป็นกรรมมันมีความต่างของมันอยู่เพราะว่ากรรมบางอย่างเนี่ยที่เป็นเดรัจฉานคือไงโง่ที่ว่าโง่นี่ไม่ใช่ว่าโง่แบบแบบที่เราโง่นะสะเดฉามันมีอะไรบ้างอะกินกรามแล้วก็อะไรอีกเกียดมีไหม เฮ้ย hey, มีแหมมันยังแย่งไปดัวหน้าฝูงกันอยู่เลยใช่เปล่าล่ะเออมันก็มีอยู่ในเรื่องของการทำมาหากินถ้าเราใช้ตําคือเจตนาที่ประกอบไปด้วยความอยากไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์กฎหมายไม่สนศีลธรรมไม่สนญาติสนพี่สนน้องตัดขาดจากความเป็นกุศลคุณงามความดีทั้งหมดเลย ทุ่มเทไปด้วยอำนาจของความอยากและก็เสวงหาเสวงหาเสวงหาอันนี้เป็นอะไรเป็นภูมิของเดรัจฉานทันทีเพราะเราแค่เราอยากจะกินอันเนี้ยมันก็หากินเลยใช่ไหมเออเพออยากจะกินเนก็กินเลยเอากามอีกเรื่องของกามมี พอมันมีเจตนาคือกรรไม่สนไม่แคร์คนไม่แคร์คนไม่แคร์กฎหมายไม่แคร์ศีลธรรมไม่แคร์วัฒนธรรมประเพณีมันก็คืออะไร <S <S <S เออทั้งนั้นนะ่ะนี่เนืสภาพจิตแบบนี้แหละมันจะไปพบดีรฉ า, ามันไปอบายพบแต่ว่าเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องของกรรมมันจะต้องปักไปที่ไหนอ่ะ ที่กายที่ใจเพราะตัวกรรมคือเจตนาเจตนาคือ <c oughs> เอออ้าวหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของวิบากกรรมมีวิบากวิบากของกรรมอะไรเป็นวิบากของกรรมฮะ วิบากของกรรมมีสุขะวิปากโกกับทุกขะวิปากโกอานคือวิบากของมันพอหมดมาดูวิบากก็อยู่ที่ไหนอีกอยู่ที่ไหนกาจ้นี่ <c oughs> อย่าไปให้ไกลเด็ดขาดเลยหละพอต่อไปอีกต่อจากเรื่องของวิบากพระเจ้าทรงสอนว่าความดับคืออะไรอ้าม พอเรารู้มาลาดับเป็นแบบนี้ใช่ไหมความดับแอ่งกรรมเราได้ยินมาว่าไงกรรมดับไม่ได้ใช่หมเราบอกว่ากรรมนี่ดับไม่ได้ความดับของกรรมคืออะไรมันถ้าเรารู้มาเป็นลาดับแบบเป็นหน่วยเป็นบทบทมาแล้วความดับก็ต้องไปดับที่ไหน พระศาอัตชิบอกพระสารีบุตรว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นนั้นกรรมพอเรารู้อย่างนี้แล้วความดับของกรรมคือต้องดับที่ไหนเหตุของมันคืออะไรฮะอะไรนะเหตุของกรรมคืออะไรนะคือผัสซา เพราะฉะนัความดับของกรรมต้องดับที่ไหนาาอืมนั่นนะ่ะเรียกว่ากร ร, รกรรมนิโรธกรรมนิโรธโกรรมนิโรธเนี่ยกรมมนิโรธคือว่าความดับแห่งกรรมต้องดับที่ไหนดับที่ผัสสะอ้าวตาเห็นสังเวียการเห็นขึ้นมาแล้วนู่นเห็นยัง <c oughs> พกเห็นปับ๊บมันเกิดเจตนาเป็นกรรมเจตนานั้น สัมปยุต์ด้วยอะไรล่ะมันประกอบด้วยอะไรในเจตนามันเป็นกุศลหรืออกุศลสุดแท้แต่แต่ก ร, รมมานิโรธคือความดับแห่งกรรมคือหยุดตรงผัสสะเห็นเห็นไหมเห็นและหยุดการปรุงแต่งของผัสสะกรรมเกิดไหมไม่เกิดนี่คือกรรมมานิโรธอะ อ้าวตัวต่อไปกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาคือเส้นทางที่จะให้ดําเนินไปถึงความดับแห่งกรรมนั้นมีไม่ล่าน่นมีไม่ล่าสิเนี่ยแต่พระเจ้าสัตว์หมดพระเจ้านอกจัดจัดเหตุจัดดับจัดผลและจัดความดับอย่างนั้นแล้วยังบอกด้วยว่าไอ้กรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาคือ ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับของกรรมข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงซึ่งความดับของกรรมเราจะหยุดกรรมเราจะให้เกิดกรรมมานิโรธได้หยุดผัสสะของเราได้เราจะต้องหยุดด้วยอะไรเราจะต้องหยุดด้วยเรื่งเหมือนข้าโรงเรียนเลยนะ <c oughs> เราจะต้องหยุดด้วยอะไรฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องหยุดด้วยอะไรล่ะฮะเออสมอดีตผู้อนวยการโรงพยาบาลเราจะต้องหยุดภาษานี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะเออนุ่นเป็นสตาบักเคยเข้าสตาบักไหมรับฮะหลวงพ่อชอบยกตัวย อ, อ, อย่างมันเจ็บใจจริงเพราะมันเคยเคยเจอเคยมีกรณีเขาเรียกเคยมีเคส ห่างจากเพื่อนมาเก้าปีสิบปีใช่ไหมสองสามคนไปเจอหน้ากันโอ้ยไปกินกาแฟนุ่นเป็นเจ้าภาพแล้วกันนะเออไปไปกินกาแฟเข้าไปในร้านสตารบัคอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้มันนะทีนี้เราก็ดีใจเจอเพื่อนขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเองใช่ป่ะขอเลี้ยงเองแก้วของเท่าไหร่120ยี่สิบ อ่ะเออเกือบสองร้อยเราก็เลี้ยงเองถามมาเสร็จกาแฟมาเสร็ปับ๊บเราก็ไปเข้าห้องน้ำกันเราไปเข้านะพอเดินกลับมาจากห้องน้ำอะได้ยินเสียงเพื่อนเราที่เราเลี้ยงกาแฟนานๆที่เราจิดมมันคุยกันแหมทาเป็นรวยทามาเป็นเลี้ยงเราก็มีปัญญาจ่ายเองเว้ยเราได้ยินพอดีนุ่นเป็นไง ไม่ใช่แต่เรารู้สึกยังไงอ่ ะ, อะไปยืนฟังอยู่เ ง, งี้ยรู้สึกงไง เ, เพื่อนยังไม่เห็นนะมันยังพูดต่อว่าแหมทำเป็นถือกระเป๋าแบรนเนมลูกทำไง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือมันยังไม่ได้เกิดกรรมเวนุ่น <c oughs> ถ้านุ่นได้ไปเจอสถานาการณ์จริงอะ <c oughs> ไอ้ตอนที่กรรมมันไม่เกิดเนี่ยนุ่นควางหลวงพ่อยกตัวอย่างสมมุตินุ่นเนี่ยนุ่นก็พูดพูดได้แหละเออก็รวยอะ่ะแต่แต่ถ้าไปอยู่ในสถานาการณ์จริงหนาขณะนั้นมันก็ถูกอะไรผนวดเข้ามาเราหยุดกรรมตรงนั้นได้ไหมเราหยุดมันไม่ได้มันต้องเกิดเพราะฉนั้นไอ้ที่พูดตัวอย่างยกตัวอย่างไอ้นุ่นใ ห, ใ ห, ให้พวกเราฟังเพราะว่าให้อยากให้รู้ว่าอะไรคือตัวสําคัญในการหยุดกรรม หยุดภาษาตอบได้อย่างที่นี้สตินะมีอะไรอีก <c oughs> มีอะไรอีกอ <c oughs> ก็ตอบแบบกันปั้นทุบดินวะสติปัญญาใ ช, ใช่แล้วสติเราได้มาจากไหนอะฮะ ถ้ากำรรอ่อนออนใช้สติที่มีอยู่นี่พอได้สมมุติว่าไอ้เพื่อนที่ที่เรามาเจอกันเนี่ยเราก็ไม่ได้สนิทอะไรเราก็ไม่ได้อะไรนักอะไรหนาแล้วเราก็รู้มาอยู่ก่อนแล้วว่าสองสามคนเนี่ยชอบนินทาอยู่กับเราก็นินทาคนโน้นอยู่กับคนโน้นกอนินทาคนนี้อยู่กับคนนี่ก็ น, นินทาคนนั้นคือเรามีความรู้อย่างนี้อยู่แล้ว พอเราไปห้องน้ำเดินกลับจากห้องน้ำเห็นเขานั่งคุยกันอยู่เราก็คิดในใจของเราอยู่แล้วมันต้องนั่งดินทาเรากันอยู่แน่ๆเรารู้ตัวโลงหน้าใช่ไหมพอเราเดินเข้ามาถึงได้ยินจริงๆด้วยมันกาลังดินทาเราอยู่ด้วยสติที่เรามีอยู่ในตอนนั้น่ะหยุดกรรมตัวนี้ยังพอหยุดได้อยู่นะใช่ไหมเ อ, อยังพอหยุดได้อยู่นะยังพอหยุดกรรมตัวนี้ได้อยู่สติโดยธรรมชาติที่มีอยู่ กับแต่ละเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่ก็ประมาณหนึ่งโนนก็ประมาณหนึ่งโนนก็ประมาณหนึ่งโนนก็ประมาณหนึ่งแต่ละคนมีสติทุกคนแต่กำลังของสติที่มีนั้นโดยประมาณไม่เท่ากันมันมีเพียงแค่บางคนก็มีเพียงแค่ทำมาหากินบางคนก็มีเพียงแค่รู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มสูงต่ำดาขาวอย่างอื่นใช้ไม่ได้ บางคนก็มีมากกว่านั้นบางคนก็มีมากกว่านั้นบางคนก็มีมากกว่านั้นแต่สติที่จะไปหยุดกรรมจะต้องเป็นสติที่มาจากจิตที่อยู่กับอารมณ์อันเดียวหรือจะพูดภาษาทั่วไปก็ว่าต้องมาจากจิตที่เป็นกลางท่า น, นขณะที่เราสัมผัสมีภาษาแล้วเรามีอคติแนใ่นอนเกิดกรรม อ น, นจิตสตินั้นจะหมายวาว่าจะต้องตั้งอยู่บนจิตที่ปราศจากอัคตินขณะที่เกิดภัตสาเราไม่จำเป็นที่จะต้องบริสุทธิ์ผุดพองทั้งดวงแต่นักขณะที่เกิดภัตสาให้เป็นจิตที่ปราศจากอัคติสติที่มีอยู่ตรงนั้นจะออกมาหยุดควบคุมภัสะนั้นได้ไม่ให้มัน ไม่ให้มันปรุงแต่งต่อไปสู่กรรมได้มันก็อาจจะเกิดเป็นเจตนาแหละแต่เป็นเจตนาที่ไม่เป็นกรรมเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์อืมสติจึงเป็นตัวหลักในการที่จะหยุดภาษาดับภาษะดับภาษาหมายความว่าไม่ให้ภาษามันเกิดนะดับภาษาคือว่าพอเห็นแล้ว รู้บริบทของการเห็นทั้งเหตุและผลของมันแล้วหยุดไม่สามารถปรุงแต่งให้ไปสู่อกุศลหรืออกุศลได้กำลังที่จะไปหยุดตรงนี้แหละคือกำลังของสติและสตินี้จะต้องเป็นสติที่เป็นฐานของสัมมาสติพอเป็นฐานของสัมมาสติมันจึงเป็นสติที่ต้องพัฒนา เพราะไอสติพวกนี้ถ้ามันมีขึ้นโดยไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีมันก็จะมีพระอรหันต์และอริยบุคคลจัตตรู้กันยั่วเยี่ยงไปหมดเลยแต่สติตัวนี้มันเป็นสติที่ถูกค้นพบมันมีอยู่จริงตามธรรมชาติแต่ไม่เคยมีใครพบจึงนำมาปฏิบัติไม่ได้ถูกค้นพบด้วยพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็นำมาเปิดเผยสอนเรา ในทางพระพุทธศาสนาการจเจริญภาวนาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดไม่ว่าเราปรารถนาที่จะครองเรือนมีเย่ามีเรือนสร้างฐานะสร้างครอบครัวเราจะทำอาชีพครูอาชีพธุรกิจอาชีพลูกจ้างอาชีพอะไรก็ช่างหรือเราจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องใช้สติตัวนี้พอสติตัวนี้เข้ามาเราก็จะดีทุกทุกฐานะแหละ เป็นลูกก็ดีในฐานะลูกเป็นแม่ก็ดีในฐานะแม่เป็นพ่อก็ดีในฐานะพ่อเป็นครูก็ดีในฐานะครูนักเรียนก็ดีในฐานะนักเรียนพี่ก็ดีในฐานะพี่น้องก็ดีในฐานะน้องสามีก็ดีในฐานะสามีภรรยาก็ดีในฐานะภระยะระยาภรรยาดีเป็นที่ปรารถนาของใครฮะเบื哈哈้องต้นมันปรารถนาสวยแต่ต่อไป มันต้องปรารถนาดีถ้าไม่ดีแม่สวยมันก็แหมลภรรยาปรารถนาสามีเป็นไงดีเบื้องต้นมันก็สูงหน่อยขาวนิดใช่ปะเออสูงหน่อยขาวนิดสเปกอย่างนั้นสเปกอย่างนี้ว่าไปเรื่อยแต่สุดท้ายมันต้องปรารถนาอะไรดีถ้าไม่ดีแม่สเปกแค่ไหน ฉันก็ไม่เอาไอด้ดีดีดีเนี่ยเป็นที่ปรารถนาของทุกทุกฐานะสติที่เป็นฐานของสมาสติที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงและพระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยแล้วนํามาสอนเราเนี่ยมันจะปรับเราให้ดีทุกทุกฐานะและสติตัวนี้แหละที่จะไปหยุดกรรม เพราะสติตัวนี้มันตั้งอยู่ในองค์ความรู้ที่ถูกต้องที่เราเรียกกันว่าสัมมาญาณวิถีของของสติที่มาจากความรู้ที่ถูกต้องนี้จะให้องค์ประกอบในการเคลื่อนไหวชีวิตเราแปดประการที่ถูกต้องแปดประการที่ถูกต้องคือหนึ่งอ่าไหนเสียงไหนวะอไม่มีอะไรตั้งใกล้ไม้ได้มือจะแจกรางวัลซะหน่อยตอบชัดถ้อยชัดคําแบบนี้สิไหนนั่งตรงไหนวะ อ๋อเออหนึ่งในร่วนของความเห็นมันไม่วิปลาสแล้วเมื่อก่อนเราเป็นสัญญาวิปลาสคือเราเรียนรู้มาอย่างคลาดเคลื่อนพอเราเรียนรู้มาอย่างคลาดเคลื่อนเสร็จความคิดเรามันทําไงมันคิดไปตามการเรียนรู้ใช่ไหมความคิดเรามันก็คลาดเคลื่อนด้วยพอความคิดคลาดเคลื่อนต่อไปบทสรุปของความคิดคือความเห็นมันเป็นยังไงคลาดเคลื่อนด้วยเพราะสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสและทิฏฐิวิปลาส มันเกิดมาอย่างต่อเนื่องของสัตว์ผู้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรนี้แต่พอพระพุทธเจ้าออกมาสอนเรื่องนี้หยุดหยุดสัญญาวิปลาสทําให้หยุดจิตวิปลาสและทำให้หยุดทิฏฐิวิปลาสจึงเกิดเป็นอะไรสามมาทิฏฐิขึ้นมาตั้งอยู่ด้วยอะไรด้วยอำนาจของสติที่มาจากองค์ความรู้ที่ถูกก็ มันจึงเกิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องชื่อว่าสัมมาสติเอาต่อไปความคิดยังไม่ใช่ความเห็นส่วนที่เป็นความคิดก็คิดก็เป็นไงเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะเมื่อจะพูดละ่ะก็พูดที่ถูกต้องเป็นคำพูดคำพูดของผู้ที่มีสติที่มาจากองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเป็นคาพูดที่หนึ่งไม่โกหก สองไม่ซอเสียดยุยงรู้จักซอเสียดยุยงไหมซอเสียดทอเสียดออเสียดก็รู้จักไหมรู้จักว่าเป็นอะไรสอเสียดเป็นอะไรอ่าเห็นไหมผิดปมถามว่าคำพูดซอเสียดคือคาพูดแบบไหนเราจะตอบเหมือนกันเ่ะกระทบกระเทียบเน็บแนมนี่ว่าซอเสียดนะไม่ใช่กระทบกระเทียบก็กระทบกระเทียบไป สสเสียดคือยุยงให้เขาแตกแยกกันนั่นะคือสสเสียดยุยงให้เขาแตกแยกกันเนี่ยพูดเท็จพูดสสเสียดพูดคำหยาบนะกระทบกระเทียบอพวกนี้คืออยู่ในเรื่องของคำหยาบนะแล้วก็สัมผัสประลาบก็คือไราสาระ เหลวไหลไม่พูดสติตัวนี้จะไม่พูดแล้วอ้าวเรียกว่าพูดถูกต้องใช่ไหมคําพูดต้องคือจริงอ่อนหวานน่าฟังประกอบไปด้วยประโยชน์ถูกกาละเทสะนี่คือจริงคือคําพูดที่ว่าเป็นสมมาวาจาแล้วมันเป็นคาพูดไม่ใช่ว่าจงใจนะไม่ใช่ว่าสร้างไม่ใช่เป็นคําพูดที่สร้างภาพไม่ใช่ เป็นคำพูดที่เป็นธรรมชาติที่เกิดมาจากเจตนาที่มีสติตัวนี้ตั้งอยู่แล้วมันให้พูดออกมาอย่างนั้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอะไรที่มันเป็นโกหกอะไรที่มันเป็นส่อเสียดอะไรที่มันเป็นคำหยาบมันจะไม่พูดออกมาไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปห้ามมันมันไม่พูดออกมาของมันเองไม่พูดออกมาของมันเองด้วยอํานาจของสติที่ที่เจริญขึ้นมาตัวนี้เป็น สัมมาวาจาเอาด้านกา ร, ร, รกระทำพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมของชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นการการะทาที่ถูกต้องการการะทำที่ถูกต้องคือมันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนชีวิตไม่ขโมยไม่โกงแล้วก็ไม่ผิดลูกผิดเมียเขาอันนี้เป็นสัมมากรมมัน อา้าวทีนี้ต่อไปสามลเลยใช่ไ้การประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเอออาร ม, มือหน่อยตัวนี้ให้ตอบแล้วการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตก็จะเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องไม่ประกอบอาชีพทุจริตอา้าวต่อไป ความเคลื่อนไหวพยายามตะเกียดตะกายดิ้นรนของชีวิต ท, ที่เราเรียกกันว่าความเพียรความพยายามมันก็จะตะั้งยงมันจะถูกต้องด้วยและความเพียรพยายามนี้เรียกว่าสัมมาวายมะความเพียรที่ถูกต้องนี้มันมันถูกต้องแล้วมันถูกต้องไปถึงไหนมันถูกต้องไปจนถึงขั้นของการละความไม่ดีที่มีอยู่แล้วออกไป มันถูกต้องไปถึงขนาดที่ไม่ให้ความไม่ดีซึ่งยังไม่เกิดได้มีโอกาสเกิดมันถูกต้องถึงขนาดที่ว่าบ่มเพาะสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดและมันลึกลงไปจนถึงรักษาความดีที่มีอยู่นั้นให้คงอยู่และจะิญยิ่งขึ้นไปอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะ มันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละความถูกต้องเข้ามนต่อไปมันจะก็ถูกต้องอะไรถูกต้องอีกหายไปแล้วสา ส, สามมาสิตสาิคือการสำนึกระลึกรู้การสำนึกระลึกรู้มันก็จะถูกต้องต่อไปอะไรอะส ม, สมาธิ ส, ามมาสมาธนนิให้รางวัลไม่ไหวแล้วว่ะ สมาสมาธิเรคือความตั้งใจความตั้งใจเป็นธรรมาชาติของชีวิตนะอืเราเข้าไปเรียนโรงเรียนอนุบาลอ่ะเวลาครูเขาสอนกงังแรกเขบอกครูยืนอยู่หน้าหน้าหน้าไว้บอร์ดอ่ะเอานักเรียนทายําไงครูจะเขียนแล้วนักเรียนยังคุยกันอยู่อะ่ะครูทาําไงเอานักเรียนตั้งใจดูหน่อยเฮ้มันต้องดูด้วยอะไรดูด้วยอะไรถ้าไม่ครูไม่บอกว่าตั้งตาดู อะอ้ะอาวครูจะพูดแล้วนักเรียนตั้งใจฟังเอ๊ะฟังเรื่องอะไรวะฟังด้วยหูแล้วทาไมครูพูดเราตั้งใจฟัฮะเพราะเมื่อใดที่ไม่มีใจเข้าร่วมเมื่อนั้นการดูการฟังไม่ปรากฏเนี่ยอย่างนั่งฟังอาจมากําลังพูดอยู่เนี่ยถ้าใจมันไปนั่งคิดถึงเรื่องอื่น มันก็สักเลยว่านั่งอยู่อย่างนั้นน่ะข้าหูซ้ายตะลุหูขวาก็เหมือนกับเอาหม้อมาครอบไว้แล้วก็น้ํารดมันก็จะหกเรี่ยวราดอยู่ข้างกันน่ะใช่ป่ะเออเหมือนกันเหมือนกันเราะนั้นสมาธิไอ้ความตั้งใจนี่เป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นธรรมชาติของชีวิตไม่ว่าอะไรเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องดีหรือชั่วพูดถึงธรรมชาติของความตั้งใจเนี่ย ถ้าเราจะเป็นคนยิงปืนเรายิงปืนไม่เป็นเขาก็บอกว่าเออไอ้ น, นี่นะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นศพศพเป็ประกอบปืนเนรถอดได้เองประกอบได้เองรู้หมดเสร็จยิงปุ้งถูกไหมโอกาสถูกน้อยเราจะต้องไปฝึกอะไรฝึกงัดยิงปืนก็ฝึกงัดยิงปืนนี่ฝึกเพื่อให้ได้ได้อะไรรู้เป่าฮะฝึกเพื่ออะไร เพื่อเอาความตั้งใจไปเพื่อเอาความตั้งใจให้มีศักยภาพในการประกอบท่าของการกระทำ <c oughs> อ่าเวลาเขาดึงปืนเขาเล็งไงวะทั้งๆนี้หลวงพ่อจะเล็งอย่างนี้ไม่ได้พวกนี้มันอ่อนอ่อนเฟซบุ๊กอยู่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เวลาเขาเล็งปืนอ่ะมือจับใช่ไหมตั้งศูนย์เล็งไปที่เป้าอะไรดู ตาดูอะไรเลงนั่นแหละคือตั้งใจตัาใจมันไม่มีฝึกฝนความตั้งไม่ได้ฝึกฝนความตั้งใจประกอบท่าให้มันมีศักยภาพพอมันก็จะวอกแวกยิงโดนไหมไม่โดนงั้นใครที่มีอาวุธปืนต้องไปฝึกนะต้องไปซ้อมซ้อ ม, มบ่อยๆ ออกความน่นนความตั้งใจนั้นมันคือความตั้งใจไปประกอบกับท่าความตั้งใจในการนั่งเรียนหนังสือความตั้งใจในการนั่งฟังเทศเป็นการตั้งใจที่ประกอบท่าทั้งนั้นมันเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่เมื่อเรามีองค์ความรู้อย่างถูกต้องหลังจากได้มาจากการฝึกแล้วจะเกิดความถูกต้องทั้งแปดประการที่ว่า ความถูกต้องอันดับสุดท้ายชื่อว่าสัมมาส ม, มาธิคือความตั้งใจที่ถูกต้องเพราะในเรื่องของอริยมรรคมันไม่ใช่เป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของว่ามรรคแปดประการมรรคไม่ใช่แปดประการมรรคมีกี่ประการมรรคอะอะ เอ้ยเนียไปไม่มั่นใจใช่ไหมมักมีแค่หนึ่งแต่มีองค์ประกอบแปดคือเมื่อได้มักแล้วไอแปดอย่างเนี้ยมันสมััคีมันจะทํางานด้วยกันมันจะถูกต้องพร้อมกันขึ้นอยู่กับกําลังของมันว่ามันจะถูกต้องแล้วขนาดไหนกําลังของความถูกต้องของมักเนี่ยมันจะมีกําลังขึ้นมาแล้วก็มันเหมือน เหมือนน้าลดแล้วเราต่อพูดอะตอมันจะผูดขึ้นมามากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าน้ามันลดเยอะไปเท่าไหร่ใช่ปะเออมันมันขึ้นอยู่กับตรงนั้นเหมือนกันเหมือนกันว่าเรากําลังของคว า, ามรู้องค์คว า, ามรู้นั้นมีกาลังเท่าไหร่เหมือนหลวงพ่ อ, อัญญาโกนทันยักษ์ฟังธรรมจกักกะปวัตนสูตรเกิดองค์คว า, ามรู้ ขึ้นว่ายังกินจีสมุตยะธรรมังสะพันตังนิโรธาธรรมังพอเกิดองค์ความรู้นี้ขึ้นมาปับ๊บองค์ความรู้นั้นมีกําลังมีศักยภาพเพียงแค่เพียงแค่แคตัดสังโยคสามอย่างออกไปเพียงแค่หดเว้นการทําชั่วทั้งปวงได้เพียงแค่ ศีลห้านั้นเป็นนิตยศีลประจำจิตไม่ต้องสมาทานเกิดเป็นศีลเป็นนิตขึ้นมากำลังของขององความรู้นั้นเรียกว่าธรรมจักสุขทำให้สังโยกสามข้อมันหายไปเพราะว่าน้ำมันลดใช่ไหมต่อมันก็โผล่ขึ้นมาได้ขนาดนั้นเห็นสามขีดถ้ามันมีถาม้าาถ้ามันมีเอ่อสิบขีดอะ อันนี้เห็นสามขีดมันมีสิบขีดต่อตัวเนี้ยแต่มันโผลขึ้นมาเห็นสามขีดเห็นสามขีดคือตัดสังโยกออกไปสามพระอัญญาโกธยญคก็เป็นเป็นอะไ ร, ระเออเป็นปะโสดาบันนี่เป็นเรื่องของความประจักษ์แจ้งของการรู้เรื่องของธรรมะการทําความเข้าใจต่อกายต่อใจต่อชีวิตของเรา การสร้างความเรียนรู้อย่างถูกต้องไม่ให้มันคลาดเคลื่อนความถูกต้องไม่ให้มันคลาดเคลื่อนจากพระพุทธเจ้าไม่ให้มันคลาดเคลื่อนจากพระพุทธศาสนาไม่ให้มันคลาดเคลื่อนจากกายจากใจจากชีวิตของเราเองพอเราองค์ความรู้ที่มันเข้ามาแล้วมันสร้างความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันก่อความคิดคลาดเคลื่อนก่อทิฏฐิคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนทุกทุกเรื่องพอมันมีโจทย์ขึ้นมา คำตอบและทัศนคติของเราที่มันเอียงเอียงรบบต่อต่อโจทย์นั้นๆน่ะมันไปอื่นหมดก็อย่างที่ยกตัวอย่างอ่ะตื่นมาทีสามทํางานแทบตายกว่าจะขายของได้กว่าจะมีโน่นนี่นั่นโอ้ยต้องไปเรียนเสริมประกอบเรียนการตลาดไปเรียนคลอดนั่นคลอดนี่อบรมนั่นอบรมนี้เพื่อใส่อะไรฝึกฝนความสามารถให้กับกายให้กับใจแต่พอทํางานมาได้ไปไง โอ้ยจุดทูบเก้าดอกอันนี้ตมาไม่ได้พูดว่าการกระทำแบบนั้นไม่ดีแต่เรากาลังพูดถึงความเห็นที่มันวิ ป, ปรลาพคลาดเคลื่อนจากพระพุทธเจ้าคลาดเคลื่อนจากพระพุทธศาสนาและคลาดเคลื่อนจากกายจากใจจากชีวิตของเราขันเป้าหมาย เป้าหมายของพระพุทธศาสนานี้หนึ่งให้ทุกคนเป็นอัตตธีปะคือมีตนเป็นเกาะให้เป็นอัตตะสารณาคือมีตนเป็นที่พึ่ง น, น, นั่นเป้าหมายของมันแต่การเรียนรู้และองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนเยอะแยะไปหมด จนถึงปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าจะบวชนาค ก, กว่าจะได้บวชอ่ะโอ้โหบางคนต้องเลื่อนการบวชออกไปเพราะว่านาขาย่ อ, อขาคล็ตแห่แล้วก็ตกมันไปอยู่ไหนไม่รู้ อีกหลายเรื่องอ่ะอีกหลายอย่างอ่ะอีกหลายอย่างเพราะว่าองค์ความรู้ที่เรารู้มาเนี่ยมันคลาดเคลื่อนพอมันคลาดเคลื่อนมันก็จึงเป็นอย่างเนี้ยพอเรามาดูเรื่องกรรมสิพอกรำบเรารู้เรื่องกรรมอย่างจริงๆที่พระพุทธเจ้าชี้แจงออกมาแล้วเราพิจารณาดูเออมันจริงน ะ, นะของจริงเมื่อพิ จ, จารณาแล้วจะรู้ตามจำไหมนะ ของจริงเมื่อบิจารณาดูแล้วจะรู้ตามเว้นไว้แต่เราเป็นคนไม่ยอมรับความจริงไอ้นี่เขาเรียกว่าพวกชาล้นถ้วยรู้จักไหมชาล้นถ้วยอะชาล้นถ้วยรู้ไหมก็มีคนคนหนึ่งไปวัดเป็นดต็ตอร์ศาสนาจารย์มีผลงานวิจัยเยอะแยะมากมายเดินเข้ามไปถึงวัดไปถึงหลวงพ่อก็เอาชาสองถ้วยไปถึงตั้ง ก็ของหลวงพ่อก็รินไปครึ่งถ้วยน่ะรินเสร็จแล้วก็ฉันรินเองฉันเองไงแล้วก็จะรินให้ศาสตราจารย์รินไปเต็มแล้วก็รินอยู่นั่นแหะมันล้นแล้วล้นล้นล้นศาสตราจารย์โกรงใจเออหลวงพ่อชามันล้นแล้วหลวงพ่อก็ไม่สนใจก็รินรินอยู่นั่นแหละล้วลนหลวงพ่อชามันล้นนะก็ล้นรินอยู่นั่นล้นรินแล้วมันล้นก็อยู่ หลวงพ่อทำไมรินเลอะจนทาราจา ร, รู้สึกไม่ค่อยพอใจหลพอทไมนเ อ, อยมเมื่อกี้มันทำมชาล้นถ้วยหรอล้นถ้วยทำไมมันล้นอ่ะเพราะว่าชาเนี้ยมันเต็มพอแก้วมันเต็มน้ำชาที่มีอยู่เดิมมันไม่เอาน้ำชาใหม่ตอนนั้นรินเข้าไปเท่าไรเท่าไรมันจึงล้นออกมานอกถ้วย เหมือนกับคนบางคนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เกียรติคุณไปมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับหลายคะแนงหลายสาขาพอพูดอะไรเข้าไปมันไม่เข้ามันเต็มถ้วยเหมือนกับชานี่ยแหละศาสตราจารย์เข้าใจเออใช่ใช่ใช่อย่างนั้นจริงๆก็เลยพอเข้าใจตัวเองทีนี้ก็กลับมาที่กายที่ใจ พอเข้าใจเรื่องตัวเองก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาควางหลวงพ่อหน่อยอืเหมือนเราเนี่ยบางคนมีเปล่าผ่านสำนักโน้นผ่านสำนักนี้ประกอบธุรกิจประสบความสําเร็จบางทีนั่งไปตอนตอนนั่งไม่มาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะนุนาเออนั่งไม่เป็นไรพอช็อปัก้งมนันชามันเหน็บมันเมื่อยแล้วหลวงพ่อก็ยังนั่งพูดอยู่นะ่นนะไม่จบทันทีเกิดอะไร เฮ้กูมาทำอะไรแล้วเนี่ยอยู่บ้านกูนั่งดูซีรีส์นะลูกนะนั่งดูทีวีเออเอเปิดแอร์เย็นๆใช่ไหมบรรดาเราทําอะไรได้ต้องเยอะแยะเรื่องอะไรมานั่งทนขวังพระพูดอยู่ น, ะนี่ปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยแล้วก็พูดไม่หยุดพูดอยู่นั่นนะ่ะ <c oughs> ไปแล้วทีนี้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พวกนี้เป็นพวกฮะ <c oughs> <c oughs> เขเรียกชาล้นถ้วยมันเต็มไปหมดแล้วทีนี้มันก็เลยเดี๋ยวนี้มันพอไอ้พวกชาล้นถ้วยมันเยอะเยออะะบ้านเรามันก็เลยมีหลายสายไงสายหนึ่งก็สายเอาใจสายหนึ่งก็สายเคร่งสายหนึ่งก็สาย ค, ายายคือทั้งเคร่งทั้งไม่ทั้งเคร่งทั้งเอาใจเพื่อดึงดูดคนเข้าไปเนี่ยบางคนบอไปสำรวจโอ๊ยที่นี่ดีมากเลยนะเปิดแอร์เย็นเนชิยบมาเอ้ อาหารก็ฟีมีเจ้าภาพเลี้ยงที่นั่งก็มีเบาะนุ่มๆสบายๆนั่งจะสมมติว่าง่วงถ้าทาเนียนได้ก็สบายนั่งหลับไปเลย <c oughs> มันก็มีบบเยอะแยะมากมายหลายอย่างแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันมาจากการที่เราเรียนรู้อย่างผิดๆแล้วมันสะสมมาเรื่อยๆจนเกิดความคิดที่ผิดๆอย่าง การให้ความรู้อย่างคลาดเคลื่อนเนี่ยบางริ่งบางอย่างมันอัมมาหิตมากอย่างเด็ก <im Sub tit le> ๆเล็กๆกางเนี้ยไปสร้างองค์การเรียนรู้ให้กับเขาแบบผิดๆแบบคลาดเคลื่อนจนเขามีความคิดที่คลาดเคลื่อนและชีวิตเขาทั้งชีวิตนะชีวิตเขาทั้งชีวิตให้เขาเกิดความรู้อย่างคลาดเคลื่อนจนมีความคิดที่คลาดเคลื่อนชีวิตเขาทั้งชีวิตมันเป็นความ มหาอั ม, มหิต์มากๆถ้าว่าเป็นการาตั้งใจในการที่จะลงทุนเพื่อเพื่อให้เด็กๆ เ, เกิดการเรียนรู้อย่างผิดๆเนี่ยอั ม, มหิตมากยิ่งกว่าการฆ่าเพราะเมื่อเขามีความเรียนรู้อย่างคลาดเคลื่อนมีความคิดที่ผิดๆต่อไปการตัดสินใจความเห็นทัศนะทุกอย่างมันจะผิดไปหมดเลยแล้วก็โตขึ้นมาโตขึ้นม า, นมาเป็นหัวหน้างานเป็นดังปู้มีความรับผิดชอบในสิ่งต่าง แล้วก็อยู่กับการบทสรุปขององค์ความรู้ที่ผิดๆที่ก่อตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างความเลวร้ายมากเรวร้ายชนิดที่เรียกว่าตัวเองไม่รู้ไงตัวเองไม่รู้ว่ามันคือความไม่ถูกต้องตัวเองไม่รู้ว่ามันคือความผิดมันคือความไม่ดีไม่รู้เพราะมันมาจากการเรียนรู้อย่างคลาดเคลื่อนมาแล้ว นันในทางศาสนาของเราถึงบอกว่ามันจะต้องปรับความเห็นของเราให้เข้ากันให้ได้กับพระพุทธเจ้าให้เข้ากันให้ได้กับพุทธศาสนาให้ตรงต่อชีวิตของเราแล้วเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวที่ชื่อว่าธรรมะขึ้นมาอยู่ที่กายที่ใจที่ชีวิตของเราได้ วันของเราจึงมีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ทุกคนควรจำคือให้มีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏธรรมะทั้งหมดเลยให้มีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏปรากฏที่ไหนที่กายที่ใจที่คือขึ้นเฉพาะหน้าอย่างสติเราอ่านสติคือความระลึกได้ใช้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิด ข้อสอบออกมาปั๊บตอบถูกได้สิบคะแนนเต็มแต่ถามว่าเรารู้ยังรู้ไหมอย่างนี้เรียกว่ารู้แล้วยยังอะรู้แบบหยาบหยาบรู้นี้ใช้การได้ไหมใช่ไปปลอบแป้งได้เลยไปปลอบโย ม, มาลีไอะเียได้โยมาแล้วไพรวันเน อ, อขอไปนะโควิดมันทำให้เราห่างกัน มันเป็นความรู้อย่างงยายๆมันจะห้ามได้ไหมเมื่อโกรธเกิดขึ้นและเราก็ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธชีวิตจิตใจของเราณขณะนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของความโกรธแล้วอยู่แต่อำนาจของความโกรธแล้วความโกรธยึดมีอิทธิพลยึดชีวิตเราไปทั้งชีวิตแล้วยึดไปทั้งชีวิตแล้วเราจะสามารถมันหยุดได้ไหม หยุดมันได้ไหมหยุดได้บ่ะงไม่ได้เราหยุดมันไม่ได้แล้วเพราะทาั้งทั้งที่เราเคยอ่านมาแล้วนี่รู้แล้วนี่สติความระลึกได้ใช้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดแต่เมื่อความโกรธมายุดชีวิตพูดออกไปนี่เป็นยังไงพูดออกไปเป็นไงเป็นคําพูดที่เป็นคําพูดที่ไม่เสนอหูแล้ว ไม่น่าฟังแล้วใช่ปหมละ่ะไม่ดุก็ดา่าไม่ด่าก็ว่าไม่ว่าก็หยาบ <c oughs> ไปอย่างหนึ่งแหละมันโกรธอ่ะใช่ไหมล่ะอ๋อทำไมอ่ะสติเราก็รู้นี่ทำไมะละ่ะแต่ถ้าเราเป็นแม่ลูกมันกำลังโกรธอยู่แม่โกรธด้วยไหมแม่ไม่ได้โกรธใช่ไหมแม่ก็จะไปเตือนลูกด้วยความรู้ที่ตนเองเรียนมา รูกตั้งสตินะตั้งสตินะเดี๋ยวมือไปรูปนะตั้งสตินะตั้งสตินะเอาเลาเวลาแม่โกรธพ่ออะเวลาแม่โกรธพ่ออะฮะเวลาแม่โกรธพ่อใครไปบอกแม่ลูกไปบอกได้ไหมบอกเดี๋ยวลูกก็โดนใครไปบอกได้ในขณะที่ความโกรธมันยึดชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำให้ตัว จิตเกิดความรู้ว่าสติที่แท้จริงเป็นอย่างไรที่ตมาบอกว่าให้มีความรู้ให้มีสภาวะรองรับความรู้ที่ปรากฏความรู้ก็มารองรับสภาวะที่ปรากฏเช่นหลับตาปั๊บอย่างสติเข้าไปเพื่อระลึกลมหายใจที่ไหลออกขณะที่ลมมันเคลื่อนปับ๊บมีการอย่างระลึกรู้ลมหายใจที่ขณะที่เคลื่อนจิตมันรู้ขณะนั้นไอ้ตัวนั้นนะคือสติ แล้พัฒนาตัวนั้นแต่มันแข็งแรงแข็งแรงรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่รตัวอย่างระลึกตัวรู้ น, ะะนักขณะนั้นตัวรู้ที่เกิดขึ้นณักขณะที่จิตมันเป็นกลางความรู้สึกขณะนั้นมันสามารถที่จะใช้การพินิจพิ จ, จารณาเกิดการกระทบปับมันจะยืดระยะออกไปก่อนที่จะเสวยอารมณ์เกิดการกระทบปับมันจะยืดระยะออกไปเกิดการกระทบปับมันจะยืดระยะออกไปแล้วเราก็จะได้มีโอกาส พิจารณาและก็ใครครวนนั่นสติจะเข้ามาทํางานตรงนั้นถ้าสติมาทํางานอย่างนั้นไม่ได้เราก็ไม่สามารถนะเราไม่สามารถที่จะชื่อว่าเป็นผู้พัฒนาสติตัวนั้นและไม่สามารถที่จะรู้เพราะในทางปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันเดี๋ยวนี้ธรรมาจะชอบบอกว่าเวลาเรามาฝึกที่เนี่ยรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเนี่ยเวลาเราไม่ได้ฝึกอ่ะ ปัญหานะ่ะคือเวลาเราไม่ได้ฝึกเราไปอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่ข้างนอกเราทําอะไรนี่รู้มั้งป่าก่อนขึ้นรถเอาสักสองสามคู่สิรู้ลมหายใจอะ่ะจับพวงมาลัยก่อนที่จะให้รถเคลื่อนตัวออกไปก็รู้ลมหายใจสองสามคู่เช้าขึ้นมาเราตื่นมาพเพ ร, รู้สึกกับลมหายใจของเราสายขึ้นมาหน่อยเราก็รู้กับลมหายใจของเราเนี่ยสมมติเราเส้นทางนี่เชา้านี่เย็นใช่ไหม เช้าขึ้นมาก็รู้ลมหายใจสักสองสามคู่ขยับเวลามาหน่อยหนึ่งก็รู้ลมหายใจอีกสักนาทีสองนาทีขยับเวลาใหม่หน่อยก็รู้ลมหายใจอีกสักหน่อยขยับเวลาใหม่หน่อยก็รู้ลมหายใจอีกหน่อยขยับเวลามาหน่อยก็รู้ลมหายใจอีกหน่อยให้มันรู้ลมหายใจเรื่อยๆในระหว่างวันพอตื่นเช้าขึ้นมาก่อนลุกจากเตียงก็รู้ลมหายใจอีกแล้ว รู้รู้รู้รู้เรื่อยรื่ยพอนานเข้านานเข้าการรู้ต่อลมหายใจที่มันเกิดขึ้นในระหว่างวันเรื่อยรื่อยเยจากการที่เราเรียนรู้มันฝึกฝนมันมันกลายเป็นเรื่องหลักในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องหลักแล้วเพราะมันต้องทำบ่อยๆในที่สุดพอมันเกิดการอย่างนี้ขึ้นในที่สุดเราสามารถที่จะทำงาน ไปด้วยอยู่กับลมหายใจไปด้วยได้ถ้าตอนนี้ตะมาบอกว่าเราทำมันไปด้วยในกลางวันอยู่กับลมหายใจไปด้วยสิมันยากนยเพราะตัวรู้ไม่แข็งแรงพอที่จะให้ทำอย่างนั้นเข้าใจไหมเออจะจับไอ้นี่รินไอ้นี่มันจะรู้ลมหายใจไปด้วยจับไอ้นี่ไม่ได้รินไปด้วยได้ไหมมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้ไม่แข็งแรงพอแต่เอาอยางงี้ วิธีการน่ะเชา้าขึ้นมาก็อยู่กับลมหายใจไว้ผ่านมาหน่อยก็พอรู้สึกตัวปั๊บก็อยู่กับลมหายใจไว้พอรู้สึกตัวปั๊บก็อยู่กับลมหายใจเป็นช่วงช่วงช่วงในระหว่างวันอยู่เรื่อยเรื่อยร่อยู้ตัวนี้มันจะแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นม า, นม า, นมาจากเป็นอดิเรกมันก็เป็นงานหลักพอมันเป็นงานหลักขึ้นมาปั๊บมันก็จะเข้าอยู่กับลมหายใจเป็นศูนย์เป็นฐานใหญ่ประจักรแจ้ง พอมันจะไปทำอะไรมันก็จะถูกส่งออกไปจากลมหายใจไปทำเจตนาที่ถูกส่งออกไปด้วยสติออกไปจากฐานคือลมหายใจเจตนานั้นก็มีสติควบคุมอยู่แม้ไม่ได้รู้ลมหายใจแต่มันไปโดยสติถูกปะล่ะมันอยู่กับลมหายใจอยู่แล้วมันก็ออกไปเพราะมันต้องทำได้เวลาที่มันจะต้อง ได้เวลาที่จะต้องรินน้าเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่กัลมหายใจอยู่อ๋อได้เวลาที่จะต้องดื่มน้ำมันก็ออกจากลมหายใจไปเวลาออกจากลมหายใจไปเนี่ยกิริยาที่เกิดขึ้นนันนั้นเป็นโมเดลของอะไรเป็นเป็นการเคลื่อนไหวของอะไรของสติเห็นมล่ะอ่มันมันอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจอยู่แล้วมันออกจากลมหายใจไปเพื่อที่จะทำอย่างนี้นี้ แล้วก็วางการกระทำอันนี้มันก็ถู ก, กระทาด้วยอะไรด้วยสติพอเสร็จจากตรงนี้ปับ๊บมันกลับมาออโตเบติกเมื่อเขาแข็งแรงพอจนอยู่เป็นเรื่องหลักแล้วแต่การที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นได้มันจะต้องฝึกไงฝึกเสร็จแล้วต้องเอาไปใช้เนี่ยอย่ามาที่นี่อย่ามาฝึกฝึกเสร็จกลับไปในชีวิตปัจจุบันต้องเอาไปใช้ ถ้าเราไม่เอาไปใช้มันจะแข็งแรงไหมมวยซ้อมอยู่ในค่ายมันต้องขึ้นชกถูกว่าถ้าไม่ขึ้นชกไปไงไม่มีอันดับไม่ได้ค่าตัวและก็ไม่เก่งอืไม่เก่งอา้าวมาที่นี่เป็นสนามฝึกออกไปข้างนอกเป็นชีวิตจริงคือสนามจริงเลยที่นี่ค่าสึกเหมือนทหารที่เขาส่งเข้าไปในค่ายฝึก ฝึกใช้อาวุธมันมีมันมีศัตรูไหมไม่มีฝึกใช้อาวุธฝึกการหลบการลุกการหลีกวางแผนยุทธวิธีเรียนรู้ทุกเรื่อ ง, องในสนามฝึกแล้วก็ออกไปสู่สนามรบมนั่นคือได้ใช้เรามาฝึกฝึกเสร็จออกไปสู่ชีวิตจริงต้องกล้าที่จะเอาธรรมมาใช้ในชีวิตถ้าเราไม่เอามันมาใช้อะ มันไม่สามารถที่จะให้เกิดทักษะไม่สามารถที่จะให้เกิดความพัฒนาได้แลวเราก็จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์และปัญญาที่เรามีอยู่เราใช้ปัญญาในฐานะที่เป็นสาสวะปัญญาเป็นปัญญาที่ไปพอกพูนกิเลสอาสะวะในใจทั้งหมดแล้วเราก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของโบหะแม้เราเรียนรู้เรื่องของธรรมะมาเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเราก็อยู่ใต้อานาจของโบหะ อิปุจาว่าโบหะสัมบันโนโลโกพ้พะพระรูปโอวทิสติว่าโบหะว่าโลกนั้นมีโบหะเป็นเครื่องหุ้มห่อมันปรากฏเป็นชิ้นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นอันทุกๆเรื่องเราลองหลับตาดูสิที่มันเป็นของเราแต่ละคนมีเยอะมากไอ้นั่นของเราของเราของเราของเราบางอันก็มีเป็นหนังสือลิกสิท บางอันก็สิทธิครอบครองโดยสิทธิเสรีภาพเยอะแยะไปหมดเลยของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยไอ้ที่มันเป็นของเราทุกๆชิ้นนั้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการยึดครองของใจมาจากการเรียนรู้ชั้นเดียวเข้าไปไม่ถึงในความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆ เข้าไปไม่ถึงในความรู้ที่เป็นชั้นของสติแต่เป็นความรู้ในชั้นของสาสาวะเป็นความรู้ในชั้นของอาสาวะเราจึงใช้สติปัญญาของเราที่มีอยู่บริหารชีวิตด้วยปัญญาที่อยู่ที่เป็นฐานของอาสาวะทั้งนั้นยิ่งบริหารดีเท่าไหร่อาสาวะก็ยิ่งเยอะบริหารดีเท่าไหร่อาสาวะก็ยิ่งพอกพูนคนที่มันบรรลุถึงความสําเร็จในทางอาสาวะปัญญาเนี่ย พอไปถึงจุดหนึ่งมันจะทุกข์มากคือทุกข์โดยที่ไม่รู้จะหาอะไรอีกแล้วอ่ะเงินมันก็กองพันเนินเทินทึกธุรกิจมันก็ยิ่งใหญ่บริวารก็เยอะแยะมากมายแต่ก่อนเนี่ยพอมันไม่มีเงินผมมันเริ่มมีเงินก็มีความสุขเริ่มมีเงินก็รู้สึกมีความสุขอันนี้มันมีจนไม่รู้อ่าเขาเรียกอะไมีจนไม่หยุดไม่ย่อนอ่ะมีจนจนพูดว่าไม่มีไม่เป็นอ่ะ มียังไงวะนนทนมีจนเยอะไปหมดแล้วแต่ก่อนไม่มีบริวารเดี๋ยวนี้บริวารเขาเยอะแยะอ๋อทุกทุกฐานะนะบริวารทุกฐานะนะฐานะลูกฐานะภรรยาฐานะลูกน้องฐานะกุญเชอเต็มไปหมดเลยยอเยี่ยะไปหมดเลยมีจนไม่รู้จะมีอะไรอีกแล้วอ่ะมันทุกข์มากนะไอ้แบบเนี้ยเพราะอาสวะที่มีอยู่อ่ะมันขับเคลื่อนไม่ได้มันจุก ในที่สุดบางคนถึงขั้นต้องมาหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็อ๋อรู้เหตุแล้วอาหารนี่มันมีจนเยอะเกินไปมันมีจนไม่มีมรู้ไม่รู้ว่าจะต้องหาอะไรอีกแล้วอ่ะอย่างเรานอนขึ้นมาเนี่ยอาจโดยอาสวะนะพอตื่นเช้าขึ้นมาเงินก็มีอาหารก็มีบ้านก็มีภาระความรับผิดชอบอะไรก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะพอตื่นเช้าขึ้นมามันเซง็งไหมละ่ะ นั่นขนาดที่มันมีอาสวะอยู่ในใจอ่ะเอออย่างนอนแกนพอตื่นเช้าขึ้นมาไม่ตื่นแคง่วงอยู่ยังต้องรีบลุกมันมีพลังเพราะอะไรเพราะมันต้องเลี้ยงหลานนะก็ เ, เอาหลานแม่เลี้ยง <c oughs> ปกติเนี่ยพอตื่นตีห้าหกโมงเย็นเจ็ดมงยังไม่ตื่นเลยโมงยังงยังมันเซ็งอ่ะชีวิตอ่ะพอเขาเอาหลานไปเลี้ยงตีสามต้องตื่นแล้ว มันมีพลังขึ้นมาทันีขาก็ไม่ค่อยดีก็ยังกระแทกกระแทกกระแทกอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่าสาสวะปัญญายิ่งมีมากเท่าใดอาสวะยิ่งเยอะอาสวะยิ่งเยอะแต่มันบริหารของมันไปอย่างนั้นแหละนี่ถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันยิ่งทุกข์หนักกว่านั้นนะเคยได้ยิน มูนิทิยามูนิทิหนึ่งชื่อของไอ้ร็อกอะไรนะร็อ ก, กกเมเ ล, ลอร์อะไรเลยใช่ไมมูนิทิยาทั่วโลกรวยจนไม่รู้อะไรลเลยเป็นทุกข์มากเลยไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์บอให้นี่มันรวยเกินมันรวยจนไม่รู้จะพูดคำว่ารวยได้ยังไงก็งเลยหาทางออกให้ไปสร้างคุณประโยชน์ให้ไปดูความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ของตนเอง เช่นคนนี้มันมีความทุกข์อยู่เนี่ยและเอาไปให้เขาให้เขามีความสุขและให้เราไปมองเรามองเห็นคนอื่นเขามีความสุขดับความทุกข์ได้และเราก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาขึ้นมาและเดี๋ยวนี้อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ชื่ออะไรบิลเกตมันเอาผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีอยู่แปดสิเปอร์ซให้กับสาธารณกุศลแล้วมีความสุขคือมันทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วอาสวะมันยังมีอยู่ใช่ไหม ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วไม่รู้จะหาทางทํำยังไงแล้วพลังมันยังมีอยู่กําลังของอาสวะมันยังมีอยู่จะทํำยังไงเนี่ยมันทุกข์มากพอได้ทําอย่างนั้นแล้วเออมีความสุขขึ้นมาหน่อยอืมในชั้นของอาสาวะแกพระเจ้าไม่ต้องเลยพระเจ้าสอนตรงพระพุทธเจ้าสอนให้เราพัฒนาสติโดยเอากายใจที่ยังไม่ตายรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อใดให้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาสติ พัฒนาองค์ความรู้ให้มันถูกต้องแล้วสติก็จะมีความแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาเมื่อสติแข็งแรงขึ้นมาตั้งอยู่ที่จิตการเคลื่อนไหวของชีวิตในวันหนึ่งหนึ่งนั้นจะมีสติเข้าไปเป็นใหญ่อารมณ์เนี่ยมีแต่มันมีกำลังน้อยกว่าสติอะไรที่เราเคยห้ามไม่ได้เราเริ่มห้ามได้อะไรที่หยุดไม่ได้เราเริ่มหยุดได้อะไรที่เรา ทำไม่ได้เราก็เริ่มทําได้อะไรที่เราละไม่ได้เราเริ่มละได้อะไรที่ทําไม่ได้เราเริ่มทําได้อย่างงี้อืพวกที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเมื่อก่อนก่อนที่จะพัฒนาสติโอยวีนก็เรียกเดี๋ยวนี้มันมีคําออกมาใช่ไหมวีนกรีดอะไรอะเวียงเ ว, วียงข้างนอกเวียงข้างในไอ้ข้างนอกยังไม่มีแต่ข้างในมันเวียงสุดๆใช่ไหม วีวนกรี๊ดเวียงงี้อะไรกันเฮเซ็งเบือ่อรวมกัาไปอยู่ใ ห, หมดอะไรเนี้ยมันจะลดลงมันจะหายไปไอ้พวกอารมณ์พวกเนี้ยพวกนี้เป็นอารมณ์นะมันจะมีกำลังน้อยกว่าสติเมื่อมีสติสติมีกำลังที่เยอะกว่ามันก็จะรู้สึกว่าฮข้างในกูเวีงยงอีกแล้ว มันรู้เลยนะเอ๊ะมันเริ่มเวียงอีกแล้วเว้ยพอมันรู้ว่าเริ่มเวียงอีกแล้วนั่นคืออะไรนั่นคือการไม่ยอมให้ใจตกอยู่ในอํานาจของอารมณ์ถ้ามันมีความรู้ว่าถ้ามันมีอาการอย่างงี้เวียงอย่างนี้เราจะต้องแก้เขายัางไงมันก็มีโอกาสในการที่จะใช้เออ อ, อุบายอันเป็นกุศลน่ะเข้าไปแก้ไขคลี่คลายดับอารมณ์นั้นไอวิชาทั้งหลายเนี่ยอย่างอย่างที่เราไม่เคยฝึกมาก่อนเลยที่เราบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ใช้วิชาเตาอย่างตพระมหากัจจะยนะท่านบอกว่าจักขูวสยท่าอันทาโซตวาพระธิโรยท่าปัญญาวาสะยท่ามูโคพระละวะทุพภโลริวะ เออแปลว่าเห็นนะ่ะทําเป็นไม่เห็นใช่ไหมจักกุมาสะยาธาอันโทยาธาอันโตเห็นน่ะทําเป็นไม่เห็นใช่มั่งโซตวาพระธิโรญาธาได้ยินทําเป็นไม่ได้ยินใช่ไหมออพระธิพระธิระปฏิระแปลว่าหูนวกได้ยินนะ่ะแต่ทำเป็นนวกใช่ไหงปัญญาวาสายาธามูโคลรู้ไ อ, อทําเป็นโง่ใช่ไหง พระละวาทุพพโลริวะแข็งแรงแต่ทำเป็นอ่อนแอใช่ัหงทำเป็นไม่มีแรงใช่ังหงท่านหมากัจจายนะนะมหมากัจจายนะท่านพูในความอย่างนี้อันนี้คือมันต้องรู้แล้วจึงเป็นอย่างนั้นได้มันถ้ามันไม่รู้มันทำเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตรงต่อเข้าเราตรงสู่กายสู่ใจของเรา ้ไดเมื่อเราตรงสู่กายสู่ใจของเราแล้วเนี่ยนี่แหละกายใจของเราที่ตั้งนั่งอยู่ตรงนี้แหละน้ําหนักไม่เหมือนกันอนุมาณี่แปดสิบห้ากายใจที่ตั้งอยู่ในแปดสิบห้ากิโลตรงเนี้ยมันมองไปที่กายที่ใจหมายความว่าอะไรมันต้องชํำแรกนิเพธินิเพทะมันต้องชํำแรกความสมมุติที่อยู่ที่กายที่ใจนี้ เข้าไปสู่กายสู่ใจอย่างบริสุทธิ์ถ้าทุกคนช้ำแรกสมมุติเข้าไปสู่กายสู่ใจของตนเองให้ได้แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันช้ำแรกเข้าไปสู่กายสู่ใจก็ต้องช้ำแรกอะไรช้ำแรกความเป็นสมณะช้ำแรกเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณเนี่ยต้องช้ำแรกเข้าไปผ่านให้ได้ ถ้ามันไม่ผ่านมันไปติดอยู่ตรงตรงตรงความเป็นเจ้าคุณนโอ้โหมันต้องเก๊กท้ามันต้องงอนต้องอย่างนี้มันต้องช้ำแรกเข้าไปช้ำแรกเข้าไปนิเพทะช้ำแรกเข้าไปช้ำแรกเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปจนถึงกายกายคืออะไรตอนหลังมานี่ที่ให้พวกเราเรียนเรื่องอะไรอาการสามสิบสองใช่ไหมเพื่ออะไรอ่ะเพื่อช้ำแรกเข้าไปสู่กาย กายของเราทุกคนมันประกอบขึ้นด้วยธาตุสีใช่ไหมเออให้ชําเรกเข้าไปสิมีอะไรผมขนเล็บกวานหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลดหนองเลือดเกลือมันค้นน้ำตาเปรียวมันน้ำมูกไขข้อมูด ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวแล้วก็ลมหายใจไฟที่ยังกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่ช่วยเผาผลาญอาหารให้ย่อยนี่เรียกว่าธาตุทั้งสี่ก่อขึ้นมาเป็นกายอะกายนี้เมือกก่อแทรกเข้าไปแล้วเหลือแค่กายมันเป็นธาตุสี่เท่านั้นใช่ไหมไอ้กายเองอะสี่เปล่าธาตุสี่เปล่า กายเอถอสทัศนีปะ่ะใครที่ไม่ใช่ทัศนีไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อแทรกพาดุเข้าแทรกทุกอย่างเข้าไปสู่ความเป็นกายแท้ๆมันจะไม่มีเพศมันจะไม่มีสูงต่ําำดำขาวมันจะไม่มีหล่อมีสวยไม่มีน่ารักไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มี ร, มมมมรวยมีจนมันแทรกเข้าไปเนี่ยสู่กายแท้ๆใจแท้ๆอย่างนี้แล้วโอ้โหมันทําให้เรา ย่นระยะเวลาในการที่จะพัฒนาสติของเราอันนี้เป็นทัศนคติที่เราจะต้องสร้างความเรียนรู้เพื่อเข้าให้ได้กับพระพุทธเจ้าเข้าให้ได้กับพระพุทธศาสนาและกดตรงต่อกายต่อใจของตนเองต่อชีวิตของตัวเองไม่เช่นนั้นมันก็จะวิประชย์เพราะคนผอมก็ไม่เสียเปรียบคนอ้วนก็ไม่ได้เปรียบ คน้วนก็ไม่เสียเปรียบคนผอมก็ไม่ได้เปรียบคนสูงก็ไม่ได้เปรียบคนต่าก็ไม่เสียเปรียบคนรวยก็ไม่ได้เปรียบคนจนก็ไม่เสียเปรียบเพราะอะไรเพราะมันตรงเข้าไปสู่กายสู่ใจเขานั้นเหมือนกันนั่นทัศนกติตรงนี้สำคัญที่เราจะต้องสร้างความเรียนรู้ตรงเข้าไปถ้าไม่เช่นนั้นนะเราก็ต้องเลือกอ วันนี้จะไปปฏิบัติอาคารทำหน้าไปหน้าไปอาการทำติดแอร์ด้วยอย่างดีมีเบาะนั่งมีเก้าอี้อาหารก็ดีเนี่ยมันไปสายเขาเรียกว่าสายเอาใจพอบอกนาอาจารย์สุชีพจัดคดกรรมฐานที่ป่าชา้าเเป็นไงฮะ เริ่มเริ่มเริ่มไม่เอาแล้วเพราะอะไรที่มันไม่เอามไม่ใช่กายใจไม่เอานะสิ่งที่หุ้มห่อกายห่อใจอยู่นั้นนะ่ะมันไม่เอากลัวยุงจะกัดกลัวผิวจะเป็นรอยกลัวสิวจะขึ้นกลัวนอนไม่หลับแล้วหน้าจะเศร้ามองพองความไม่พองใจกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวอย่างนนนมันมองไม่ถึงกายนะเข้าไปไม่ตรงถูกกายสู่ใจนะ กลัวผีกลัวถูกของโอ้ถ้าไปทักทีพรกเครื่องมีเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องหอบไปหมดเพราะความสมมติเหล่านี้มันตรงเข้าสู่กายสู่ใจไหมถึงไหมมันไม่ถึงไงมันเข้าไปไม่ถึงเพราะจะนั้นที่พูดมาเนี้ยมาปรับทักรรษะกิจควาพิ่ของพวกเราว่าให้ตรงสู่กายสู่ใจแล้วเอากายเอาใจนี่แหละมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มันจึงง่ายมันจึงง่ายตอนพระพุทธเะจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเดินไปถึงปั๊บเจออาชีวกิคนหนึ่งโอ้โหวันนี่โคตรล้นเลยถ้วยมันมันเจอคนที่เพิ่งตรัสรู้มาหมาดๆพลังในการสอนนี่โอ้โหยเหลือเฟือเมื่อถึงถามปับ๊บด้วยความรู้ความเชื่อของเขาอ่ะที่รู้มาเต็มถ้วยอยู่ว่า การที่จะรู้ได้ถึงที่สุดของของความของความเป็นผู้รู้ได้เนี่ยจะต้องมีศาสดาจะต้องมีสํานักจะต้องบําเพ็ญเพียรขั้นอุกฤษจะต้องผ่านสํานักนั้นสํานักนั้นสํานักนั้นสํานักนั้นมาพอไปถึงเจอหน้าพระพุทธเจ้าปั๊บมันเห็นนะพระพุทธเจ้าเพิ่ง ต, ตรัสรู้มาหมาดๆใช่ไหมพระพักของพระองค์เนี่ยจะผ่องใสมีพระสมีดูดูหน้าศรัทธามาก ไอ้อุบัีวิภคนนี้เห็นพระเจ้าปับ๊บมันศรัทธามันโอ้โหมันท่านมีอินทรีย์ผองใสเหลือเกินหน้าตาดีมากถามทันทีเลยท่านเป็นลูกศิษย์ของใครจบจากสํานักไหนมีใครเป็นทศสาศาดาของท่านแต่ศาสดาของท่านท่านสอนอย่างไรพระเจ้าก็พูดตามความจริงว่าเออเรารู้ของเราเองเราไม่มีศาสดามันแบกปากใส่เลย เดี๋ยวก็พูดโฮโหพ่อศ า, าสาดามันว่าเรนมันก็เดินทิ้งพระเจ้าไปเฉยๆงั้น่ะโอ้โหมันสวยมากๆเลยตัเนี้ยเสียโอกาสไหมเพราะอะไรเ <c oughs> พราะชาะมันล่นถ้วย <c oughs> มันเจอพระพุทธเจ้าโอ้พลังในการสอนตอนนั้นนี่เยอะมาก <c oughs> มันเจอพระมตั้งคำถามเลยโอ้ยหน้าตาดีมากเลยผิวพรรณผ่องใสเปล่งปลั่ง ลูกศิษย์ใครอ่ะจบจากที่ไหนและไอ้ศา ส, สดาของท่านสอนสอนท่านว่างไงเรารู้พระพเจ้าบอกเรารู้ตอบคำถามที่มันถามเรารู้ของเราเองเราไม่มีศาสดามันแบะปากใส่เลยแล้วก็เดินจากพระพเจ้าก็ต้องเดินทางต่อจากตรงนั้นไปสิบเอ็ดวันกว่าจะไปถึงป่าอิสิ ป, ปั ต, ตนมามรุกะทยวันไปถึงเจอปัญญวาคีทั้งหานี่ถือว่าเป็นนักบทมืออาชีพ เพราะว่าอัญญาโกนัญญาทำนายพระพุทธเจ้าว่าจะต้องออกบวชและตรัตตรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วตนเองชวนพวกโนอนอีกห้าคนบวชรอเลยเดินทางสัญจรรอข่าวว่าสชายเชยวชาชายศรีฐาเนี่ยออกบวชวันไหนและจะมาปฏิบัติเพราะเชื่อว่าต้องได้ตรัตตรู้แน่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าบําเพ็ญทุกริยาจละจากการบําเพ็ญทุกริยาเพราะทุกบันเป็นทุกริยามันอยู่ในคำปรีของพราม ว่าเป็นความเพียรชั้นอุกฤษกดควันกับควันกดลินกับเพดานกลั้นลมหายใจอดพระกยายารเนี่ยถือว่าเป็นความเพียรขั้นอุกฤษแต่พระเจ้าทําถึงที่สุดของทั้งสามชั้นนั้นแล้วเห็นว่าไม่ใช่หนทางแห่งการ ต, ต, ตรัตะรูจึงละความการบานเพีย น, น, นไอ้ปัญจวัคคีย์ทัานกมาเห็นพระเจ้าละความบานเพีย น, นมันก็ทําตัวเป็นชาวล้นต้วยไง ว่าพระเจ้าเนี่คลายจากความเป็นผู้มีความเพียรเข้าสู่ความเป็นผู้มากมากแล้วไม่มีโอกาสได้ตรัสรู้ทิ้งพระพุทธเจ้าเลยแต่แกก็ว่าด้วยความเย่อหยิ่งว่าใ ห, ใ ห, ให้เธอดูแลตัวของเธอเองแล้ ว, แ ล, วแล้วพวกเขาก็จากไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ปายสิมารุกขายวันพระเจ้าเดินทางจากไอ้อุปอชีวกเบอร์สกีเนี่ยไปหาพวกเขาเนี่ยเพราะว่าพิจารณาดูแล้วว่าห้าท่านนี้สอนปั๊บนี่ไม่ยาก ก็เดินไปหาพอไปถึงเจอพระพเจ้านะมันก็ตั้งเห็นพระเจ้าโอ้ยนีย่นี่เจ้าชายสิทธัานี่เห็นหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งพรองใสยอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่ด้วยความเชื่อไงไม่เชื่อว่าเวียนจากการบําเพ็ญเพียรมาสู่ความเป็นผู้ม า, มากๆไม่รู้หรอกคิดว่าหน้าที่มาเนี่ยคงดูแลตัวเองไม่ไหวแล้วทัเพราะเป็นเจ้าชายตอนออกบวชพวกเราก็ดูแลอยู่หกปีใช่ไหม ตอนนี้ไม่มีพวกเราดูแลสงสัยคงอยู่ผู้เดียวไม่ได้ก็คงจะมาหาพวกเราพอเดินข้ามมาใกล้พระเจ้าบอกว่าเออเราได้จัตตารู้อานุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาเถอะเราจะแสดงธรรมให้ฟังไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรฮะเพราะชารถแก้ีย <c oughs> วพระเจ้าต้องบอกว่าโออย่างนี้ล พิจารณานะว่าเราเคยพูดคำนี้ที่ไหนมาก่อนไหมทานายาโนัญญาเขาก็คิดตั้งแต่เป็นเจ้าชายตัวเด็กๆเล็กๆน้อยๆถ้าใครเคยดูอะไรนะซีรีสซีรีอะไรนะโอ้โหเสียงเดียวกันเลยถ้าใครเคยดูพระพุทธเจ้ามหาสาสดาเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่เด็กๆมา ไม่เคยเห็นคำโกหกเลยใช่ไหมใช่ไมไม่เคยเจอคำโกหกเลยคำพูดไม่จริงเลยนะในในหนังซีรีส์นั้นอนะ่ะในประวัติของพระพุทธเจ้าที่อัญญาโกณทัญญาเรียนรู้มาไม่เคยพูดคำใดที่ไม่จริงและคำพูดใดที่พูดแล้วจะทำได้เสมอนี่คือเจ้าชาย ธ, ธาิตถธะและตั้งแต่ออกสแสวงหา พระสัพพัญญุตยานันุตรสมาสามโพธิา น, นี้ไม่เคยมีครั้งใดที่บอกว่ารู้แล้วมาวันนี้จูจ่ๆบอกว่ารู้แล้วแสดงว่าด้วยความเป็นสัจจะบุคคลที่ก ว, ว่าเป็นบุคคลที่สัจจะเนี่ยมันจะทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูงพวกนี้เลยตัดสินใจโอ้ไม่เคยพูดมาก่อนเลยแสดงว่าจริงแล้ว จัดการโดยเรียมน้อมกราบเข้ามารัตนาให้พระพุทธเจ้าเทศและพระพุทธเจ้าก็สแสดงพระธรรมจักรปรวัตนาสูออกไปอันนี้เดีย ว, วกว่าที่จะขณะเจอพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าต้องทําลายเทน้ําชาออกก่อนอ่ะคดียเทชาออกก่อนเทด้วยอํานาจของสัจจะ อ, อันนี้ขณะพระพุทธเจ้าไปนะถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็ยาก เรื่องการปรับทัศนคติให้เข้าได้กับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนาและตรงต่อกายใจชีวิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราตั้งต้นได้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมการศึกษาพุทธศาสนาเราจะเข้าได้เร็ว ง, ง่ายตรงเพราะรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆมันควาดานเข้าไปหมดการตรงเข้าไปถูกกายถูกใจเนี่ยมันวาดานเยอะมากที่เป็นสมมุติในความเป็นเราฝาเข้าไปหมดเลย อุปนิสัยต่างๆนิสัยสันดานของเราเป็นอย่างไรอย่างไรควาเข้าไปหมดตรงไปที่กายที่ใจจึงให้เราเรียนเรื่องอาการสามสิบสองไว้เพื่อให้เข้าไปสู่กายได้ง่ายออพอตรงเข้าไปสู่กายอย่างนี้การเจริญสติซึ่งต้องใช้กายใช้ใจเป็นเครื่องมือใช้ชีวิตเป็นเครื่องมือมันก็ง่ายมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นจากนี่ไป เวลาโดยประมาณหนึ่งเราก็จ ะ, จะเจริญสติด้วยอาณาปานสติกัน